ไอ้เรียกว่าไอ้สิ่งที่คิดน่ะมันไม่ได้ไอ้สิ่งที่ได้อ่ะคือสิ่งที่ไม่ไม่คิดยกตัวอย่างเช่นโคสกะเศรษฐีเนี่ยนะโคสกะเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเกิดมาเนี่ยเป็นลูกของใครลูกของโสเพณีที่เอาไปทิ้งเศรษฐีก็คนหนึ่งอ่ะนะก็รู้ว่า โคสะกะคนนี้เด็กชายคนนี้อนาคตจะเป็นมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นก็รับไว้ถ้าเป็นลูกก็ให้เมียไปสืบดูรอรอเมียตัวเองคลอดมาถ้าลูกตัวเองเป็นหญิงก็จะให้นายคนนี้แต่งงานด้วยถ้าเป็นชายวางแผนจะฆ่าโคสะกะทีนี้พอพอจิตเนี่ยคิดจะฆ่าแต่โคเด็กชายโคสะกะคนนี้เนี่ยนะพอลูกตัวเองเป็นชายเนี่ยวางแผนฆ่าละ นั่งกับเอาไปโยเอาไปให้วัวไปให้เกวียนทับวัวทับไปโยนลงเหวไปให้ผีในป่าเชา้ามันกินเป็นต้นเนี่ยก็แกก็ใช้วางแผนด้วยวิธีการไร้ไร้ประการจนในที่สุดเนี่ยไปจ้างช่างหม้อวันไหนที่แกเผาหม้อนะแกเผาลูกชัดด้วยนะก็เพราะไอ้ลูกนี้มันลูกบุญธรรมใช่ไหมเพราะว่าถ้านายโคสกะยังอยู่ลูกตัวเองกลัวลูกตวเองจริงๆจะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เลยฆ่า น่โคสะกะนี่จริงๆมันคนฉลาดหน่อยเล่นขลุบเก่งมากนะไอ้ลูกแท้ๆของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยฉลาดโง่ก็เล่นขลุบแพ้พวกเขประจําเลยนะทั้นเด็กชายโคสะกะเขาใช้ให้ไปร้านหม้อร้านเรียกว่าที่ช่างหม้อนะเขาทําหม้อพอใช้ไปเนี่ยอันนี้ก็เดินผ่านไปไปเจอกับลูกตัวเองนะลูกตัวเองก็เลยบอกว่าพี่เล่นแทนฉันหน่อย แต่ฉันไปทําธุระแทนนนั้ลูกตัวเองก็ถูกฆ่านนะไอเษถีคนนี้นะกิความทุกข์มาหลายครั้งและเสียเงินไปหลายพันนะนนนะหลายพันสมัยนั้นนะก็ใช้ให้โคศกะไปตายมันกลายเป็นว่าลูกตัวเองตายแท น, น, นนะอันนี้ทุกข้อที่หนึ่งก่อนเนละแล้วจริงๆก็ทุกข์รันอย่างอื่นเนี่ยมาเยอะแล้วจนในที่สุดมันโตเต็มที่แล้วเป็นหนุ่มวางแผนบอกเออฆ่าในเขตเมืองนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะ รู้จะเสียชื่อเสียงเป็นต้นส่งไปข้าเมืองอื่นเท่ากับส่งไปให้มีเมียมันตรงกันข้ามหมดเลยนะคิดตรงกันข้ามตอนหลังมาบอกว่าพอพอไปมีเมียอยู่ดีมีสุขทางโน้นทางนี้ก็อักเลือดเลยนะจริงๆแล้วทุกทรมานมานานแล้วก็เสียใจมาตลอดเวลาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยตอนท้ายก็ตัวเองก็ตายนยนะโคสกะคนนี้ก็ได้ขึ้นเป็น เศรษฐีพันชีวิตของเศรษฐีพ่อเลี้ยงของโคสกะเป็นชีวิตที่ทรมานมากเลนะเป็นชีวิตที่เรียกว่าทุกมาตลอดเลยนะแต่โคสกะก็รับกรรมเก่าไปแต่เศรษฐีเนี่ย โ, โหบานแบะเลยนะชาติทำเพราะว่าจองเวนผูกพยาบาทกับเด็กชายอ่านายโคสกะตั้งแต่เด็กมาเลยอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่คลอดไม่กี่วันเนี่ยนะจนถึงมีครอบครัวมีลูกมีเมียเลยนะคิดดูว่าโทสะมันจะเกิดขนาดไหนเนะี่ย ก็บาปบานเลยท่นขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งโทมานต์ไม่ใช่น้อยก็บอกว่าเมื่ อ, อไรที่เห็นโคสกานะแกเหมือนก็บอกมันหนามมันทิ่มตาตลอดเลยเครียดตลอดเลยนะนเสียใจมากมันก็เพราะขันห้าใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งโสกะตริเทวะทุกและโทมนั์เนี่ยนะเสียใจทั้งเสียใจก็ต่อด้วยพยาบาทคิดแต่จะฆ่ายอย่างเดียวทีนี้เมื่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะ บางครั้งเนี่ยมันก็พลัดพรากใช่ไมเออบางครั้งก็ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเนี่ยนะก็ไปเจอขันห่าที่ตัวเองไม่ไม่ต้องการกับพรากหมายว่าบางครั้งก็พลัดพรากจากขันห่าที่ตัวเองต้องการแล้วก็สุดท้ายไม่สมหวังหวังยังไงก็ไม่ได้ดังหวังเนี่ยนะอันเนี้ยประกาศถึงอะไร ใครมีอำนาจที่แท้จริงในขันห้าบ้างการประกาศถึงว่าปรานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นี่นะก็ประกาศถึงว่าแทบจะบอกว่าอนัตตาว่าไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงในชาติชรามรณะเขาไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงในโสกะปริเทวทุกโทโมนัสและอุปายาตนะหรือว่าจะจัดสรรให้ประจวบกับสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยส่วนเดียวได้ไห ก็ไม่ได้นะก็เดี๋ยวก็พลาดบ้างเดี๋ยวก็เจอบ้างอย่างเงี้ยนะทั้ น, ะ น, นสรุปว่าปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังอันนั้นแหละเป็นเป็นตัวทุกขสรุปว่าทั้งหมดนั้นคืออะไรก็คือขันห้าการประกาศว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอันนี้เรียกแสดงทุกขลักษณะนะทุกขลักษณะเลยนะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักพวกนี้ก็เป็น ทุกขลักษณะถ้าปรารถนาแล้วไม่สมหวังชัดเจนถึงความเป็นอนัตตานนะว่าไม่มีใครได้อย่างที่ตัวเองต้องการจริงๆเลยนะไม่มีใครมีอำนาจในในสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเพราะนั้นการอริยศาสตร์บัพระเนี่ยเป็นตัวอย่างในการทำปริญญาเนนะเป็นเป็นวิธีการทำปริญญา การที่กล่าวว่าชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเนี่ยมันเป็นการ เ, าเป็นการทำปริญญาที่ที่ชัดเนี่ยนะโดยเฉพาะตั้งแต่ตีรณะนะปริญญาเป็นต้นไปนั่นนะซึ่งวิปัสสนาทั้งหลายก็คือการตามเห็นขันห้าโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเน่นะเพราะคนเนี่ยเมื่อ เราสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าอินทรีย์ของสัตว์โดยมากเนี่ยศรัทธาสมาธิปัญญาเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยโดยอินทรีย์เนี่ยนะผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะอินทรีย์ตัวไหนมากที่สุดสมาธิมากถ้าสมาธิอ่าถ้าเป็นคนมีศรัทธามากนะพระองค์จะแสดง อันนี้จังมากถ้าปัญญา ม, มากแสดงอนัตตา ม, มากแต่แสดงโดยความเป็นทุกข์มากแสดงว่าจิตนี้น้อมไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะคนที่ศึกษาพระธรรมส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะเพราะเห็นทุกข์ใช่ไม้มเพราะเห็นทุกข์บางคนเนี่ยเท่านั้นแหละที่เห็นว่ามันมันชั่วคราวอ่ะนะบางคนก็เห็นความไม่มีสาระนะแต่บางคนแต่ส่วนใหญ่ก็มองเห็นโดยความเป็น ภาระนีนะก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าใครอินทรีย์อะไรมากๆนะดูจากนี่เอาถ้าใครพูดถึงทุกข์บ่อยๆคนนั้นแสดงว่ามีอัธยาศัยที่จะน้อมไปเพื่อจเจริญสมาธิถ้าใครคิดถึงความไม่เที่ยงบ่อยๆนะคนนั้นน้อมไปเพื่อจ ะ, จะเจริญศรัท ธ, ธ า, อาอย่างกลุ่มที่มาศึกษาในห้องเรานะ ถ้าปัญญาก็อนัตตางในในใ น, ในชุดการร่วมร่วมศึกษาพระธรรมร่วมกันของของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะคนที่น้อมไปเพื่อมีศรัทธาเนี่ยใครรู้ัหมหมอปลาเนี่ยจะพูดถึงอันนี้จังมากชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายเป็นต้นเนี่ยนะฝัน เ, เขาเนี่ยเป็นคนที่บูชาเจดีย์มากที่สุดในในห้องเราทั้งหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเขาเห็นป้ายวัดเ้ายกมือไหว้แล้ว นะท่ันสัตทินรีเขามีกําลังถ้าเทียบกับบุคคลอื่นๆนะแต่ว่ากลุมม่มคอนนะื่นเนี่ยอย่างอย่างคุณมุนชูก็จะเอาชานอย่างเดียวเพรว่ามันทุกข์มากเพราะนั้นพวกนี้ก็คือประกาศถึงเขาเจริญสมาธิแต่ก็มีนะบางท่านก็อนาัตตก็ผู้การมันไม่มีสาระอะไรสักอย่างเลยนะพวกนี้ก็น้อมไปเพื่อปัญญาแต่แต่แต่ว่าการตราลบขันห้าเนี่ยแต่ละคนจะตราลบไม่เท่ากันแล้วการน้อมไปเพื่อจะเจริญอินทรีย์ก็ จะไม่เหมือนกันแต่แต่ว่าโดยประชากรส่วนมากแล้วเห็นเห็นทุกเนี่ยมากกว่านนมันจิตของเขาจะน้อมไปเพื่อสมาธินีว่ากันง่ายๆเลยนะคนทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี่ยน้อมไปเพื่อจะเจริญศรัทธาไม่ค่อยมากมานะเราทั้งหลายมาร่วมเจริญพุทธคุณกันมากไหมจะได้มีศรัทธาในพระตนะตรายเยอะๆ อ, อย่างเงี้ยมีไหม ไม่ค่อยมากร่วมมานะมาร่วมตรึกอันนี้จังทุกขังอนัตตาร่วมกันมีเยอะไหมไม่มากแต่เราทั้งหลายมากําหนดลมหายใจพร้อมๆกันร่วมกันหายใจเข้าออหายใจออกเหมือนๆกันเนี่ยนะอันนี้มากไหมมากอันแสดงว่าโดยรวมๆป ร, ระชากรเห็นทุกนี่เป็นปริมาณมากในพระไตรปิฎกเนี่ยนะแสดงอนัตตาอยูอ่ในปฏิสัมพิธามักแสดงอนัตตาอยู่ แสดงอ น, นิจจังอยู่สิบแสดงทุกขังยี่สิบห้านะอธิแดงว่าอนัตตาห้านะอนัตตาห้ามีอะไรบ้างหนึ่งอนัตอนัตตาโตเนี่ยนะอนัตตาเนี่ยอนัตตาปรตโตสุญโตอาสารกโตอะไร ศูนย์โยโตหัวไปแล้วนะปาโตพวกนี้เป็นอนัตตาสรุปว่ามันมีห้าคำเท่านั้นแหละคำว่าอนัตตามีอยู่ห้าคำคำว่าไม่เที่ยงมีอยู่กลุ่มมีทั้งกลุ่มนะมีอยู่สิบคาแสดงว่าศรัทธาก็มากกว่าปัญญาใช่ไหมแต่ว่าประกาศถึงความเป็นทุกข์เนี่ยมากที่สุดในในในโตสี่ทั้งหลายนะอันนี้จะโตทุกขโตโรคโตอนัตาโตเป็นต้นเนี่ยพูดอนัตตาแค่ห้าคำ แสดงว่าพื้นฐานคนที่จะน้อมไปเพื่อปัญญาไม่มากนักน้อยเต็มทีน้อมไปโดยศรัทธาก็ไม่ถึงกับมากแต่น้อมไปสมาธินะมากที่สุดเนี่ยนะเพราะถ้าแบบเจริญสมาธิแล้วรวมหมู่มาเจริญสมาธินะอันนี้จะมีค่อนข้างเยอะอะไรถ้าสังเกตชัดนะในประเทศไทยนี่เป็นอย่างนั้น นะอนัตตานะอาอนัปะโตประโ ต, ะโตอส า, าระสุญญะแล้วก็อะไรอีกคำหนึงไ ม, ไม่ใช่ตาณโตไม่มีที่ต้านทานนี่เป็นทุกข์ แต่ก็มีอีกคัมในงานนะกลมน่นีม้มาชรองสาทยาทิ ไม่เทีย่ยงไม่เป็นไรนึกไม่ออกอ น, นัตตายกันนะฮะไม่ใช่พวกนี้เป็นทุกขลักษณะทั้งหมดเนี่ยนะ พวกพวกนี้พวกนี้เป็นทุกขลักษณะทั้งหมดสุญญ์ตัวนักตไม่เป็นไรจะเดี๋ยวไปดูเอาตอนหลังนี่มาขึ้นในอริยสัตว์บัพพาเลยนะสัจจะบัพพาว่าดูกรที่สูทั้งหลาย อีกประการหนึ anes, achi, ่งพิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่พิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อย่างไรเล่าพิกูุนในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชาติตามเป็นจริงว่านี้ทุกย่อมรู้ชาติตามเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยย่อมรู้ชาติตามเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธย่อมรู้ชาติตามเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ด้วยเหตุดังพนันนามาชะนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมนีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตนหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกรพิสูจน์ทั้งหลายแม้อย่างนี้พิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่พิจารณาเห็นอริยสัจเนี่ยเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นอริยสัจเป็นภายนอกบ้างถ้าว่ารวมๆนะภายในก็คือทุกเหตุแห่งทุกถ้าดับสิ่งเหล่านี้เป็นความดับทุกข นะด้วยข้อปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้นั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อันนี้ภายในใช่ไหมภายนอกก็พิจารณาได้ก็ทุกข์อันที่จริงสัตว์ทั้งหลายนะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่พระอริยนะได้สัจจะอยู่2คือทุกขสัตตกับสมุทัยสัตว์ถ้าดับทุกข้อ น, นั้นได้เป็นนิโรสัตว์เนี่ยนะปฏิบัติยังไงจึงจะดับทุกข์นั้นได้เป็นมรรคสัตว์เนี่ยนะ ท่านก็ให้เห็นเป็นอริยสัจทั้งภายในทั้งภายนอกหรือจะคิดง่ายๆแบบนี้ก็ได้ว่าเราหนอเป็นผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้ถึงสัตว์อื่นก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้อันนี้แหละเป็นเป็นการพิจารณาทุกขษัตย์ทั้งภายในและภายนอก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 เขาทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเขาเนี่ยแหละเป็นทายาทจะรับผลของกรรมรับผลที่เขาทําด้วยของตัวของเขาเองการพิจารณากรรมนะกรรมนี่กลุ่มสมุทัยสัตว์นะกรรมนี่เป็นกลุ่มสมุทัยสัตว์เลยเช่นรูปจะเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาหนึ่งอวิชชาสองตันหาสามกรรมสอาหารเนี่ยนะพันธกลุ่มนี้กลุ่มสมุทัย นันการกล่าวถึงกรร ม, มสกตาถามทําไมกรรมมันจึงให้ผลก็เพราะตันหาเนี่ยกรรมในฐานะพ่อใช่ไหมถ้าพูดพ่อเท่ากับพูดแม่แล้วนะเพราะพ่อนั่นแหละทําให้เขาเกิดอนะพ่อคนเดียวเกิดได้ที่ไหนก็เท่ากับแสดงแม่คือตันหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนั่นก็การเจริญกรร ม, มสกตามากๆนั่นแหละคือการพิจารณาสมุทัยสัตว์มากเนี่ยนะ ในอังคุตระนิกายติการนิบาศเนี่ยกล่าวไว้เลยว่าสมุทัยศาสตร์คืออะไรคือปฏิจจสมุบาตรวิชาปัจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังเป็นต้น น, นะนะเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุบาทนั่นแหละเป็นอริยศาสตร์นั่นนะโดยเฉพาะสมุทัยศาสตร์สมุทัยศาสตร์ก็คือปฏิจจสมุบาทใครเข้าใจปฏิจจสมุบาทคนนั้นเข้าใจสมุทัยศาสตร์จะ แต่ถ้าใครเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมทวนกลับหรือดับดับสมุทัยได้คนนั้นแหละเข้าใจในิโรศศัตว์ใครเข้าใจในการทำปริญญาสามในทุกสมุทัยเหล่านั้นนะคนนั้น่ะเข้าใจนี่มรรคศัตร์เข้าใจมรรคศัตร์ทุกศัตร์ก็คือชีวิตใช่ไหม ถ้าพิจารณาโดยอนุโลมนะฮะก็หมายความว่าเข้าใจในสมุทัยศัสตร์เชิญผ่านแต่ถ้าปฏิโลมก็เข้าใจนิโรธศัตว์นิโรธศัตว์น ะ, ะชีวิตของเราคืออะไรก็คือกองอกองทุกใช่ไหมอกองทุกเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าสมุ ท, ทยัยทีนี้สมุทัยอันนี้เนี่ยแสดงอย่างไรก็แสดงว่าอาวิชาปัจจญาสังขาราเป็นต้นเนะ พวกนี้แหละถ้าใครเข้าใจลักษณะนี้เรียกว่าเข้าใจสมุทัยสัยจจะที น, นี้ถ้าใครเข้าใจถึงว่าถ้าดับสมุทัยเนี่ยนะคือวิราคะเนี่ยนะสำรอกอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือคลายกำหนัดหรือดับอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลืออะไรดับสังขารก็ดับเป็นต้นคนนั้นจะเข้าใจนิโรธนิโรธสัจจะ นนะทีนี้ถ้ามักรักทำไงใครที่เข้าใจวิธีทําปริญญาสามนะทำปริญญาสามในทุกคนนั้นนะเข้าใจมักรเพราะมักรก็คือการการเจริญมักรก็คือการเจริญด้วยการทําปริญญาในในทุกขัสัตนะนะจุดนั้ น, นะนผู้ใดเข้าใจผู้ใดสามารถทําปริญญาได้ ตั้งแต่อวิชาตลอดไปจนทั้งถึงนู่นเลยครับโศกภัยเทวโทรมนัสปายาตผู้ใดทำปริญญาในช่วงปัิญาตธรมบัติทั้งหมดนี้เป็นเป็นทุกข์สัตว์เข้าใจทุกขสัต์ก็คือถ้าใครเข้าใจความเป็นไปแห่งชีวิตอย่างตลอดสายนะอะไรเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดใช่ไหมความเข้าใจแบบนี้คือเข้าใจสมุทัยสัตรว์ ถ้าผู้สํานวนปัจฐานว่าทุกขสัตว์คือปัจจยุบันคือผลถ้าเข้าใจสมุทยัทยสัตว์คือเข้าใจปัจจัยถ้ารู้ปัจจัยไม่รู้ผลได้ยังไงแสดงว่ารู้ผลแล้วจึงสาวไปหาปัจจัยนะเมื่อสาวไปหาปั จ, จัยเนี่ยปัจจยุบันทั้งหลายก็เป็นไปตามปัจจัยเมื่อเป็นไปตามปัจจัยเนี่ยถ้าดับปัจจัยได้อันนี้จึงจะเข้าใจนิโรสัต ถามว่าคิดยังไงจึงจะดับปัจจัยได้บางก็ถามง่ายๆว่าอริยสัจมีสี่ประการใช่ไหมทุกสมุทัยแล้วก็ทุกเนี่ยนะกับสมุทัยเนี่ยสมมติว่าทุกก็คือชีวิตตอนนี้คือตัวชีวิตที่เป็นทุกใช่มสมุทัยคือเหตุแห่งทุกเนี่ยมันสมุทัยอดีตหรือสมุทัยอนาคต สมูทไทยในอดีตสมูไทไยในอดีตที่ที่ทำให้ทุกเกิดที่ทําให้ทุกเกิดทีนี้ดับทุกเนี่ยดับสมูทไทยในอดีตหรือดับสมูทไทยไหนก็ไม่ใช่อดีตแน่นนแล้วไม่ใช่อนาคตเสียนนสคนก <c oughs> นะองงานนี่แหละนะใครจะเสียกองงานนี่แหละดูว่าใครจะมีภูมิขนาดไหนก็คําถามนี้ไม่ควรถามเดี๋ยวเสียเลยใช่ไหม กือมายว่าเออทุกนี่สมูทายควรดับใช่ไหมดับถ้าเราสรุปแล้วดับสมูทายอาดีตอานาคตรหรือปัจจุบัน <c oughs> หมอไปริ น, นหมออยู่ผิดดับสมูทายอาดีตอานาคตรหรือปัจจุบัน <c oughs> อ้าวไหนสมูทายก็ควรดับอนะ <c oughs> เอาไงดีคุณทารินี <c oughs> <c oughs> อ้าวงั้นก็ไม่มีการดับสมูทายสิ แลอนุสัยเนี่ยตกลงอนุสัยเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันแล้วอนุสัยอา้าวถ้าไม่เกิดการกุศลไม่ใช่ทั้งหมดครับ <c oughs> ไม่ใช่ทั้งหมด <c oughs> นะคือมันมีนะเขาบอกว่าอนุสัยเป็นกาลวิมุต <c oughs> ใช่ไหม อนุสัยเป็นการลวมิมุตใช่ไหมไม่ใช่พูดมากจกะเสียคนเอาเนือบอกแล้วเมื่อคืนเาจะเข้าเนื้อนะเน็สูตรเขามีอะไรอนุสัยเป็นอนุสัยนะจิตตสัมปยุตอนุสัยเป็นอะไรเป็นอกุศลอนุสัยเป็น สารมณะรัวารม์อนุสัยเป็นสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งอนุสัยเกิดในการสามเตกาลิกะเกิดได้ในการสามเพราะถ้าพูดถึงคำว่าอนุสัยต้องหมายถึงพูดอกุศลอยู่ พูดอนุสัยแสดงตอนนั้นกำลังพูดอกุศลนะพูดอกุศลพูดไปพูดมาเป็นกาลวิมุตเสียหายมากอะไรแต่ถ้าพูดอนุสัยนี่นะถ้าถ้าใครเรียนยมากามมาดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงอนุสัยโดดๆหรอกเขาเรียกว่าแบ่งเป็นวรระสามวาระนะวาระแร ก, กเรียกว่าปริชินปริชเฐทะวาระว่าอนุสัยมีเจ็ดอย่างนะ อนุสัยมีเจ็นี้เรียกว่าปริเฉทวาระอนุสัยเจ็ดอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้เรียกว่าปริฉินนุเทศวาระปริฉินนุเทศวาระคือการแบ่งหัวข้อของอนุสัยว่ามีหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ด อย่างนี้เรียกว่าปริชินนุเทศสวาระทีนี้ก็พูดถึงอุปติฐานวาระอุปติฐานแปลว่าที่เป็นที่เกิดแห่งอนุสัยอะไรง่ายๆว่าที่เกิดอย่างที่เกิดของการมาราคานุสัยเนี่ยการมาราคานุสัยเกิดที่ไหน นะก็เวทนาสองในกรรมธาตนะนะุลักษณะนี้เรียกว่าแสดงที่เกิดของอนุสัยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเนี่ยโดยเฉพาะตัวปริฉินปริชิ น, นุเทศคือเข้าใจว่าอนุสัยคืออะไร